เดินเชิญค่ะคุณวัดค่ะอันนี้ยมพอที่จะเข้าใจในในในตัวของสิ่งที่ยมเป็นอยู่บ้างอะเจ้าค่ะพระอาจ า, ารย์ mm hmm. แต่ว่าสิ่งนี้มันก็มันไม่ได้หลุดแต่มันก็ไม่ได้ว่ามันจะมีอยู่ตลอดเวลายมจะเข้าใจว่ามันจะจรมาจรมาเป็นบางครั้งคือสิ่งที่ยมติดก็ติดอยู่ใต้จิตจำนึกก็คือความมีอัตราตัวตน ความที่มีมีตัวกูใหญ่เบิ่มแล้วมันก็ไปทํำลายผู้อื่นทําให้เกิดการสูญเสียทั้งคนรอบข้างแล้วก็ตัวเองพอรู้ว่าสิ่งที่ทําร้ายตัวเองจริงๆก็คือความมีอัตราตัวตนมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เหมือนขังตัวเองไว้ว่าอย่าทําจะทําอะไรก็ขาดความมั่นใจเพราะกลัวว่าสิ่งที่เป็นอัตราตัวตนมันจะย้อนกับ เข้ามาทำลายตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งเหมือนบางครั้งมันเหมือนจะหลุดหลุดออกไปเวลาที่พระอาจารย์ช่วยแกะให้มันก็หลุดออกไปหลุดออกไปแต่สิ่งนี้มันอยู่ลึกๆของจิตใต้สำนึกที่โยมรู้ว่ามีแต่ว่ามันยังไม่โผล่ขึ้นมาเห็นก็หลายครั้งที่โยมมีความรู้สึกรังเกียจ ม, มันแล้วก็พยายามที่จะไปเอาตัวตนของตัวเองไปขุดมันขึ้นมาเพื่อที่จะได้เห็นมันแล้วก็วางมัน บ่อยครั้งที่หลงทําอย่างนี้เจ้าค่ะพายายการก็ทุกอย่างทุกอาการเนาะถ้ามองถึงความไม่เที่ยงอ่ะก็คือมันไม่เที่ยงหมดแหละเพราะว่ามันเกิดแล้วมันก็หมดไปนะไม่ว่าความรู้สึกที่เป็นอัตราอันนี้มันก็เป็นความรู้สึกเนาะเพราะว่าอัตราไม่มีอยู่จริงแต่ว่ามันมันเป็นความรู้สึกอะแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันก็ดับไปแล้วมันก็เกิดใหม่นะมันก็เกิดใหม่นะมหมแล้วก็มันดับไป ไม่ว่าทุกกริยาอาการทั้งหมดทั้งสิ้นมีแต่เกิดแล้วก็หมดไปหมดไปนะทีนี้ถ้าเข้าใจด้วยปัญญาเนี่ยก็คือเห็นแจ้งอยู่รู้อยู่ต่อให้ขนาดที่มันเกิดขึ้นไม่รู้นะก็ความไม่รู้อันนั้นก็เป็นเป็นสังขารเหมือนกันเพราะบางทีมันไม่รู้แต่บางทีมันรู้ทีนี้ก็คือให้เข้าใจด้วยปัญญานี่แหละว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนัตตาหมดเลยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงมันก็เป็นอนัตตาหมด เหมือนกับว่ายืนหรือว่าให้ยืนด้วยปัญญาเนาะปัญญาแต่ปัญญาอันนี้เนื่องจากว่ามันก็ยังเป็นอนัตตาเหมือนกันคือบางทีมันก็เกิดปัญญาบางทีมันก็ไม่เกิดเพราะนั้นเนี่ยเอาทุกอย่างเนี่ยเอาสิ่งที่เกิดที่ดับเนี่ยมาเป็นประสบการณ์มาเป็นสิ่งที่มาฝึกฝึกสติเนาะให้รู้ให้รู้บ่อยๆว่าเออมันเกิดยังไงนะมันเป็นคู่ซ้อมของของสตินั่นแหละยิ่งมันมีความแปรปรวนเท่าไหร่สติก็ยิ่งยิ่งรู้ทันยิ่งแข็งแรงขึ้นนะ ต่อไปก็เหมือนกับว่าทําเหตุทําเหตุก็คือเนี่ยเอาเอาสิ่งพวกนั้นเนี่ยมามาฝึกสติแล้วก็สติก็จะมีพลังมีอํานาจมากขึ้นนะก็ต้องใช้อาศัยอาจจะเรียกว่าใช้เวลานี่แหละเออเป็นประสบการณ์เหมือนกับที่หลวงพ่อเคยยกตัวอย่างว่าแม้กระทั่งเราไปเรียนขับรถมาตอนนี้เราขับเป็นเราขับเป็นแค่นี้แต่ก็เราไม่เราก็ยังขับต่อไปทุกวันขับไปทุกวันทุกวันทุกวัน ขับทุกวันซ้ำ ๆ, ๆๆนี่แหละมันจะเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้ขับรถมีความชำนาญมากขึ้นนะแล้วก็ขับจนถึงไหนเาขับจนกว่าจะขับไม่ได้แหละแล้วก็สุดท้ายก็คือร่างกายแตกสลายไปแล้วจึงหยุดขับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันเนอะอารมณ์ที่ที่ปรากฏอย่างที่ยยมเล่าเนอ ะ, อะนั่นแหละก็มันเป็นครูฝึกหมดเลยนะครูฝึกแล้วก็จะทาให้ได้ประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นนะแล้วก็ความเห็นถูกก็คือว่า อนาตตาหมดเนาะเชียวค่ ะ, <น>ะคือ<ม>บางคนต้องใช้เวลานะไม่ว่าใครทั้งหมดอ่ะเออบางทีมันมันต้องเขาเรียกว่าเพื่อให้ชํานาญมากๆต้องต้องใช้เวลาแต่การที่เฉพาะที่ผ่านมาแล้วหลวงพ่อนั้นนะเขาเรียกว่าไ ด, ได้ได้เริ่มจับทางได้แล้วว่าอ๋อไอ้วิธีที่จะให้มันแบบ เ, ออเข้าใจผิดหรือวิธีที่จะทําให้จิตตื่นรู้แบบฉับพลันเนี่ยต้องกลับมารู้อย่างนี้ยอันนี้ยถ้าเกับว่าได้ ได้ได้ต้นทางที่จะไปฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความชํานาญแล้วละ่ะแต่บางคนถ้าสมมติเราฟังไม่เข้าใจเนาะก็ก็กกยังต้องใช้เวลาเพื่อฟังให้เข้าใจก่อนให้เข้าใจก่อนแล้วเมื่อเข้าใจก็เอาความเข้าใจนั้นไปปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเออยังไม่เข้าใจก็ฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นเ จ, จ้าค่ะครัอาจารย์ ยมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะว่ามันเป็นแค่สัญญามันไม่มีอยู่จริงแต่ยมไปกลัวมันว่าเจ้าเนี้ยมันจะพาให้เกิดเวียนตายเวียนเกิดอีกแล้วก็หลงเข้าไปตอนนี้ยมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าถ้าหากหลงไปเกาะเกี่ยวกับมันหลงไปตามมันมันก็จะสร้างภพสร้างชาติให้กับเราเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับอขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าเดี๋ยวเพิ่มเติมให้อีกหน่อยนึงเนาะว่า สมมติว่าอาการนั้นเกิดขึ้นอย่าไปสนใจดูมันนะแต่ให้กลับมามารู้ตัวให้รู้ตัวเราที่เป็นผู้ดูอะ่ะคือมันอย่างนี้พอพฤติกรรมของคนเนาะเวลาปฏิบัติเนี่ยเวลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเช่นสมมติว่าคนบางคนปฏิบัติแล้วมีนิมิตเนาะเป็นแสงเป็นสีนั น, น, น, น่มันเกิดขึ้นมันมั น, ม, นมันปรากฏขึ้นมาแต่ทีนี้ปรากฏว่าตัวคนปฏิบัติเนี่ยก็มัวแต่นั่งดูสีอยู่น ดูสีดูแสงดูจนเพลินอย่างเงี้ยไอั น, นี้ไม่ใช่ทางถ้าทางมันถ้าทางเพื่อเพื่อพ้นทุกนะต้องกลับย้อนมาที่ผู้ดูว่าอ๋อมีเราเนี่ยเป็นผู้ดูแสงอยู่ให้กลับมารู้ตัวเนี้ยถ้ากลับมารู้ตัวเนี้ยกลับมาเร็วกลับมาบ่อยๆแล้วก็ทําให้สีแสงนั้นก็ดับไปนะอย่างของของโยมวัดบางครั้งนะสมมติว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นปรากฏเนี่ยถ้า เราเนี่ยไปดูมันเนี่ยเราก็จะเห็นชัดขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่ามันมันดูดเราไปคือเป็นผู้ตามดูไปอย่างนั้นนะจนกระทั่งพอดูนานมันก็ลืมตัวผู้ดูทิเนาะตัวเองนั่งอยู่นั่งทําสมาธิยอยู่แต่ไม่เห็นแล้วพอมัวแต่เห็นมัวแต่เห็นสิ่งที่พวกนั้นไปนะเพราะนั้นวิธีที่จะตัดไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเนี่ยให้มันให้มันหายไปก็คืออย่าไปสนใจแล้วก็กลับมารู้ตัวเราที่เป็นผู้อาจจะนั่งหายใจอยู่อาจจะนั่งยกมือ14บจังหวะอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัว ตัวช่วยแล้วก็ถูกต้องรวยเพราะมันกลับมารู้ตัวเราเนาะทีนี้เรื่องของวันก่อนหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างชัดเจนนะบอกว่าของใครแล้วไม่รู้บอกว่าอย่าตามไปดูนะเช่นเราเป็นหนุ่มเนี่ยเป็นหนุ่มโสดอย่างเงี้ยหรือไม่โสดกแแ็แล้วแต่แล้วสาวเดินผ่านมาเนี่ยอย่ามัวแต่ดูสาวถ้าถ้ามัวดูสาวนะเดี๋ยวเราก็ไหลไปตามดูไปจนนุ่นสุดสายตาเผลอเนี่ยตัวเราเดินตามติดไปด้วยแต่ถ้ากลับมาดูตัวเราที่เป็นผู้ยืนดูสาวเนี่ยแค่เนี้ สาวก็ไปของเขาไปไอตัวเราก็หดกลับเข้ามาที่ตัวอ่ามันก็หมดปัญหาไปไอหดกลับมาที่ตัวเนี่ยมันเหมือนนิทานที่ได้เคยได้ยินโยมหนุย่ยนุยเคยเล่าเนาะที่หมาจิ้งจอกกับเต่าเนาะเนี่ยคือกลับมาเนี่ยหดมาอยู่ตรงนี้อย่า ย, ยืดคอออกไปเกินเนนะมันหมาปากับจิ้งจอกมันก็กัดหัวเอาเออเพราะนั้นวิธีกลับมาก็คือเนี่ยกลับมาที่ตัวแล้วกบหดแล้วกหดตัวมา อันนี้ยที่หลวงพ่อพูดเนี้ใช้ได้กับทุกคนนะไม่ไช่ว่าเฉพาะคนใดคนหนึงใช้ได้กับทุกคนอสาูกเจ้าค่ะระอาจารย์มันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งเจ้าค่ะสาธเจ้าค่ะไม่ต้องเหนือยน้อยเล่าเล่าอะไรนั้นอีกนิดหนึ่งก็ได้เนาะหมาหมาสุนัขจริงจอกระตเหลืออะไรนะอ๋อนิทานค่ะก็เป็นเป็นนิทานอ่ถ้าจําไม่ผิดนะคะก็ เ, เกี่ยวกับเรื่องของเต่าตัวนึ่งนะคะกับสุนัขจิ้งจอกนะคะก็เราก็ทราบอยู่แล้วว่าเนี่ยสุนัขจิ้งจอกก็เขาเรียกค่ะเหมือนกับว่ามองเห็นเต่าไกลๆนะคะว่าเออเป็นเกี่ยวกับความรู้สึกว่าธรรมชาติเราต้องแบบว่าจะต้องหากินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ปกติเราก็จะได้ยินแต่ว่าเอ๊ะ เต่ากับเต่ากับสุนัขจิ้งอ้าวเต่ากับกระต่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีนิทานอะไรอย่างนี้อีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าที่ด้นนั้นเล่าเนี่ยนะคะก็เกี่ยวกับว่ามีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งค่ะก็เห็นเต่ามาแต่ไกลนะคะก็พยายามที่จะกินเนื้อเต่านะคะเต่าก็ไม่ได้สนใจค่ะเต่าก็เห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าสุนัขจิ้งจอกมาแล้วก็เห็น ต้องการที่จะทานเนื้อเต่านะคะแต่ว่าก็เขาก็ทําหน้าที่ของเขาอะนะคะเต่าแล้วก็ก็เดินไปเรื่อยๆแต่ว่าพอมาถึงเ อ, อสุนักจิ้งจอกก็เจ้าเล่ห์นะคะในความเจ้าเล่ห์ก็พยายามจะเหมือนหลอกล่อนะคะให้เต่าไปที่ที่ใดที่หนึ่งถ้าจําไม่ผิดนะคะก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่าให้เต่าเนี่ยพยายาม ออกมาหรือยังไงน ะ, ะนะคะแต่เต่าก็ไม่ได้ออกมานะคะก็กลับเข้าไปในกระดองนะคะก็เปรียบเสมือนกับเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงว่าเวลาเราเห็นอะไรไม่ว่าจะเป็นมิตรนะคะหรือว่าจะเป็นความคิดหรือว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นขึ้นมาโดยที่เราอาจจะเป็นความรู้สึกปรุงแต่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่ต้องไปนสนใจมันนะคะก็กลับมา อยู่กับที่ปัจจุบันนะคะโดยใช้อาจจะเป็นตัวล่ออะไรก็ได้ค่ะกลับมาที่ล่มหายใจก็ได้นะคะหรือกลับมาที่ทางกายอะไรอย่างี้ก็ได้ให้ในความรู้สึกขณะนั้นปัจจุบันนะคะน ะ, ะเหมือนกับเราเพลินไปทำงานอาจจะแบบมีหลงความคิดไปบ้างนะคะแก็ให้กลับมาอาจจะแบบหายใจที่นึงหรือว่าทอนหายใจดังๆอะไรางก็ได้นะคะก็กลับมาอ๋อฉันทอนหายใจดังๆหรือ ดื่มน้ําก็ได้นะคะยกมือดื่มน้ำก็ออรู้และฉันยกือดื่มน้ําเขากลื่นเข้าไปปุ๊บกลับมาเลยค่ะอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะทำยังไงก็ได้ะคะ่ะให้ให้กลับมาแล้วก็เห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าวันหนึ่งเราสามารถที่จะมีความคิดนะคะหรือว่าจะมีทั้งเรื่องเขาเรียกว่านิมิตมโนภาพได้ทั้งวันนะคะนะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยระลึกบ่อยๆแล้วก็กลับมาบ่อยๆ แล้วเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันก็คือเป็นแค่สิ่งที่มันขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาทุกอย่างเลยนะคะมันอาจจะเป็นแค่มา ย, ยาแค่นั้นเองนะะที่มันไม่ได้เกิดด้วยซ้ําหรือแม้กระทั่งมันเป็นอดีตที่เคยเกิดแล้วก็ตามอต้องบอกอย่างนี้ค่ะบางคนค่ะก็ใคร้ครวนค่ะนะคะจนกระทั่งมีเออเพื่อหนหรือคนหนึ่งนะคะก็เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นภาพจํานะคะ ไปถึงแบบความรู้สึกตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งตอนโตนะคะอย่างเช่นไปแกล้งสัตว์นะคะไปแกล้งสัตว์หรือว่าไปฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กนะคะทรมานก็เป็นภาพจํามาตั้งแต่เด็กเพื่อนก็ไปบําบัดค่ะนะคะบำบัดอันนี้เขาเรียกว่าเรกินะคะแต่ว่าเรกิอะไปบําบัดบําบัดได้แค่ชั่วคราวเพราะว่าจริงๆมันเป็นการบําบัดสมาธิเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเข้าไป ปลดปล่อยจิตใต้สำนึกนะคะแต่ว่ามันก็ยังกลับมาอีกน ะ, ะมันไม่ใช่เพราะมนุษย์เราไม่มีใครสามารถที่จะไปปลดปล่อยจิตใต้สำนึกได้จากความจริงอะ่ะมันไม่ใช่นะคะมันไม่สามารถทําได้เขาเรียกว่าตลอดกาลเพราะมนุษย์เรามีมโนนะคะมีความคิดมีจินตนาการเพราะนั้นนี่ค่ะเรากลับมาปัจจุบันแล้วให้เรารู้จากความเป็นจริงว่าอ๋ออันนั้นมันคือ สิ่งที่ดับไปแล้วอันนี้น่าจะดีกว่าแล้วอยู่กับทรงอยู่กับปัจจุบันเนี้ยค่ะนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วพอเราเรียนรู้เข้าใจมันเนี่ยเราก็เนี้ยฝึกเป็นเรื่องปกติทุกวันทุกวันจนเราอ๋อเหมือนเราเคยชินกับการที่เราเห็นอะไรบางอย่างค่ะถึงแม้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ชอบสังเกตนะคะเราไม่ชอบมันเลยสิ่งเนี้ยแต่เราเห็นมันทุกวันทุกวันจนมันชิน มันก็ไม่ได้เกิดอาการชอบหรือไม่ชอบมันก็รู้สึกแค่ชินแล้วรู้ว่าเป็นแบบนั้นแค่นั้นนะคะอันนี้อันนี้เปรียบเทียบดูนะคะค่ะไม่ทราบว่าจะช่วยคุณวัดได้ <c oughs> ให้เห็นภาพหรือเปล่าค่ะหรือว่าทุกท่านท่านใดถ้าคุณลุยค่ะสาธุค่ะขึ้นมานะเหลือเวลาประมาณอีกสี่ห้านาทีหลวงพ่อออกเลยวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปงานพินธิการงานศพเผาศพที่วัด ก็เนาะตกลงก็กลับมารู้ตัวอย่าอย่าส่งจิตออกนอกนะนิมิตก็ดีที่พูดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏข้างนอกนอกใจนอกจิตนอกใจทีนี้ถ้าเราไปตามดูก็จะไหลไปตามมันจนกระทั่งลืมตัวนะงั้นก็กลับมารู้ตัวหลวงพ่อคำเขียนหรือหลวงพ่อเทียนคือเน้นมากเลยเรื่องกลับมากลับมาเนี่ยเนะาะเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจหรอกว่ากลับมาอย่างไงนะ แต่พอมีการยกตัวอย่างก็จะทําให้เข้าใจได้อย่างเรื่องดูสาวอย่างเงี้ยมันเข้าใจได้ไม่ยากหรอกเนี่ยเห็นไหมสาวเดินผ่านหน้าเราไปอย่างเงี้ยอย่ามัวแต่ดูเขาเดี๋ยวลืมตัวเองอืต้องกลับมารู้ตัวเองเช่นตัวเองพูดภาก ค, คิดอะไรในใจอยู่ละ่ะใช่ไหมเช่นพึมงทาในใจบอกสวยมากเลยอย่างนุ่นอย่างเงี้ยเนี่ยทีนี้ถ้าเราเพลินเนี่ยเราจะไม่เห็นความคิดพอไม่เห็นความคิดปั๊บเนี่ยเดี๋ยวความคิดก็ลากไปให้ไปทํำนู่นทนํานี่เสร็จเลย เดีถ้ารู้ตัวกลับมารู้กายก็ได้กายที่กําลังยืนดูอยู่ก็เห็นตัวเองยืนดูพรกลับมารู้ตรงนี้มันก็สลัดตรงโน้นแหละเพราะใช่ว่าเพราะว่าจิตมันมาทําหน้าที่รู้ตัวไปแล้วมันก็เลยหยุดหยุดรู้ตรงที่คนเดินผ่านมานะเพราะฉะนั้นนิมิตก็ตามที่เห็นเนี่ยสีแสงต่างๆเนี่ยอย่าหลงไหลคลั่งคล้มันเดี๋ยวมันก็จะเป็นเป็นบางคนเนี่ยอันตรายมากเลยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บอกอีกเพราะว่าเขาไปหลงตนว่าเขาเนี่ยได้คุณวิเศษ เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นแล้วสิ่งที่เห็นนี่เขาเรียกว่าสั่งได้บังคับได้จะให้โตให้เล็กขนาดไหนยังไงมันเป็นความโผพฐิดานเนี่ยหลงหมดเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์เลยเพราะนั้นคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์นะตรงนี้ก็จะหลงไปเพราหลงเสร็จแล้วไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อใครเพราะถือว่าได้คุณวิเศษนะนั่งกลัวนะเพราะนั้นเนี่ยกลับมาอย่าหลงไปทำตัวแล้วก็เมื่อรู้ตัวแล้วเนี่ย ให้เห็นว่าไอาตัวที่ถูกรู้เนี่ยตัวนี้ต้องต้องทิ้งต้องวางคือไม่ยึดถือเพราะเป้าหมายคือให้ปล่อยวางใช่ไหมเออเพราะนั้นเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วก็คือให้สักแตเห็นอย่าอย่าอย่าเอามายึดเป็นตัวเป็นตนก็นะสักแตเห็นพอแค่นี้ยมันก็จะพ้นทุกในขณะที่ที่รู้เห็นอย่างเนี้ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอาเดินเชิญ น, นะคะครับสวัสดีท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับ เมื่อวานผมพูดเรื่องที่ว่าผมเป็นโควิดนะครับแล้วก็ที่มาฝึกสติที่พระอาจารย์พูดที่ที่เอาตัวรู้มาใช้นะครับก็แบบว่าปรากฏว่าคือเหมือนเหมือนที่คุยกับอาจารย์นวนที่ที่คุยกับพี่นุ้ยกับอาจารย์นวลเหมือนว่าตัวเนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ทําให้แบบว่าผมไม่ไม่ทุกกับโควิดมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมเป็นเนะครับมันก็จะมีอาการเขาเรียกว่าลองโควิดครับเป็นเป็นต่อจากที่ที่เรารักษาตัวหายในโรงพยาบาลนะครับ กักตัวเสร็จนีะครับจะมีอาการหนึ่งครับเหมือนว่าเราจมูกผมอะมันจะได้กลิ่นเหมือนว่าเป็นสารเครมีตลอดเวลาเลยครับแล้วพอคนเกิดสติุ๊บเนี่ยสมองมันก็จะเบื่อครับปวดๆอยงครับถ้าเกิดว่าเรามีความยุติกังวลเหมือนที่ว่านึงถ้าเกิดไม่ไม่มีตัวจเจริญสตินะครับเราก็จะเริ่มชิดแล้วว่าเอ๊ะมันต้องเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะครับเดี๋ยวพอมาสังเกตุมาที่อาจารย์อาจารย์แล้อ๋อทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรารู้เฉยๆยครับ ดูเสื่อๆครับพอจิตมันไม่ปรุงแต่งมันก็จะเห็นว่ามันหายไปครับแต่เดี๋ยวมันก็มาใหม่ครับถ้าไม่ลองฝุดแต่ผมผมเห็นว่าคือผมเป็นเป็นอาการลักษณะแบบว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นเหมือนลูกวิตกังวลเนี่ยครับมันมันเกิดจากความคิดที่มันถูดขึ้นมาแล้วเราไปสวมมั น, นครับสลอบตัวผมนะครับมันก็ยิ่งทําให้แบบว่าวนวนเข้าไปในลูกที่แบบว่ากลัววิตกกลัววิตกเนี้ยครับไปอยู่งนั้นแต่พอเรามารู้เฉยๆเนี่ย มองมันแบบไม่เข้าไปยุ่งไงครับเราก็จะเห็นว่าอ๋ออันนี้มันดับไปเองนะแล้วความรู้สึกใหม่มก็ได้แทรกแทกขึ้นมาครับผมก็เลยว่าอ๋อนี่เป็ น, เ ป, นเป็นเล็กอะไรครับเป็นเป็นประโยชน์ประโยชน์ที่สุดแล้วครับที่ทําให้แบบว่ามันออกจากคุกมาได้ไงครับไม่ว่าทุบ ก, กายหรือว่าทุบใจเครื่องเครื่องมือเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยได้จริงๆครับครับ <Okay. S 2> ยิ่งได้ถ้าอาจารย์สีทางว่าอ๋อทางมันเป็นแบบนี้นะ แบบว่าชีวิตหลังจากนี้ก็คงไม่มีไม่มีอะไรสําคัญเลยกว่าสิ่งสิ่งนี้นะครับตลอดชีวิตผมนะครับความความแบบว่าอยากได้อย่างนี้อยากเป็นอะไรมันก็มันก็เริ่มแบบว่าไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วครับไม่ให้ความสําคัญตรงที่ตัวคนทุกไม่มากกว่าครัเลยเดี๋ยวครับต่อคำที่แนะอาจารย์ด้วยครับนุ้ยด้วยครับสาธุค่ะ ก็เรื่องรู้เนี่ยหลวงพ่อกำเขียนนะครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยพูดชัดเจนท่านบอกว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามให้กลับมาเป็นรู้ให้หมดนะเช่นเวลามันมีสุขเนี่ยก็ให้กลับมาเป็นรู้คือรู้สุขอย่าเข้าไปเป็นเวลามันมีทุกขก็ให้รู้ทุกแต่อย yes. ่าเข้าไปเป็นนะคือเหมือนกับว่าให้อยู่กับรู้เลยอย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้หมายความว่าให้รู้เนี่ยเป็นเป็น ให้ศรัทธาในรู้นะพูดง่ายๆเลยนะอย่าไปศรัทธาเรื่องทุกข์เรื่องสุขไอ้นั้นนะมันเป็นแค่แค่สิ่งที่ปรากฏแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้ามาเป็นรู้เนี่ยอยู่กับรู้เนี่ยคือมันจะมั่นคงก็หมายความว่าอะไรเกิดขึ้นก็คือแค่รู้เพียงแต่รู้มันรู้มันรู้มั น, มนแล้วก็ไม่เป็นอะไรหมดเลยเนี่ยตรงเนี้คือหัวใจสําคัญมากเลยเนาะก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะตรงไหนที่ฟังแล้วเข้าใจเพิ่มก็ตรงนั้นแหละมันเป็นปัญญาแล้วก็นําไปปฏิบัติต่อ แต่ตอนนี้เดี๋ยวเนี้ยให้พึงเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่คุยมาเป็นสังขารนะที่รู้อะไรมาแต่ว่าเป็นเรารู้เราจําได้เอามาเล่าเนี่ยไอนี้ก็เป็นสังขารโยนทิ้งให้หมดเลยคื อ, อเอาแค่รู้ว่ามันเป็นสังขารแค่นี้พอนะเมื่อกี้อย่างของโยมอาเนาะเล่ามาเนี่ยผู้เล่าเนี่ยผู้เล่าเมื่อกี้นะ่ะจบไปแล้วนะ่ะไอเนี้ยก็เป็นสังขารเนาะ รู้ว่ามันเป็นสังขารแค่เนี้ยก็จบในปัจจุบันเลยสิ้นยึดเลยข อ, ขอบคุณครับอาจารย์ครับสาธุค่ะ